อำเภอบ้านเกิดของผมอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพราวสองกิโลเมตรตอนที่ผมยังเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพเวลาปิดเทอมผมเดินทางจากกรุงเทพกลับไปเยี่ยมบ้านมักจะเดินทางด้วยรถไฟไปลงที่สถานีซึ่งอยู่กลางตัวอำเภอติดกับตลาดจากนั้นก็เดินทางไปบ้านของผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดมากนักซึ่งวิธีนี้สะดวกที่สุด แต่ว่ารถไฟที่จะผ่านสถานีบ้านผมในแต่ละวันนี้จะมีไม่กี่ขบวนทั้งยังเป็นรถธรรมดาไม่ใช่รถด่วนหรือว่ารถเร็วอะไรรถไฟที่เราเรียกกันว่ารถธรรมดานั้นเสียเวลามากเพราะว่าขบวนรถนี้จะจอดแทบทุกสถานีส่วนรถด่วนหรือรถเร็วจะจอดเฉพาะสถานีใหญ่ๆสถานีที่อำเภอบ้านผมนั้นจะไม่จอดเพราะว่าเป็นสถานีเล็กๆ ดังนั้นหากพลาดขบวนรถไฟขบวนหนึ่งแล้วผมมักจะขึ้นรถโดยสารเพราะขี้เกียจ ร, รอรถขบวนต่อไปซึ่งบางครั้งก็ต้องคอยเวลานานๆรถโดยสารที่ผมใช้ก็มีสองเส้นทางทางแรกไปลงที่ตัวจังหวัดแล้วก็ต่อรถประจําทางเล็กๆเข้าอำเภออีกทางหนึ่งคือนั่งรถไฟไปที่สายอีสานแล้วจอดตรงปากทางเข้าตัวอำเภอซึ่งจะต้องนั่งรถ3ล้อไปอีก2กิโลเมตร เมื่อหลายปีก่อนโน้นรถสมลอ้อถีบเป็นรถรับจ้างอย่างเดียวที่มีอยู่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างยังไม่มีใครรู้จักถ้าดึกหน่อยพวกถีบสามล้อกลับไปนอนหมดแล้วก็มีวิธีเดียวนั่นก็คือการเดินถนนจากปากทางเข้าตัวอำเภอสมัยนั้นเป็นถนนลูกรังยังไม่มีตึกแถวบ้านเรือนเหมือนอย่างเดียวนี้มีแต่ทุ่งนาเปลี่ยวเยวสาไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนนก็ยังไม่มีถึงมีก็อยู่ห่างกัน ตอนกลางคืนจึงค่อนข้างมืดและน่ากลัวพวกที่ติดเฮโรอีนก็จะมาดักจี้ดักปล้นคนเดินทางตอนกลางคืนอยู่บ่อยๆตอนนั้นผมยังหนุ่มก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเห็นจะเป็นเพราะว่าไม่มีอะไรให้พวกมันจี้อีกอย่างหนึ่งที่นั่นเป็นบ้านเกิดของผมไอ้พวกติดยาส่วนมากก็เห็นหน้ากันอยู่บางคนเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆซะด้วยซ้าเด็กๆต่างจังหวัดรู้จักกันทั้งนั้น ยิ่งอายุไล่เลี่ยกันด้วยแล้วก็ล้วนเคยเห็นหน้ากันมาหมดมันจะหน้ามืดมาจี้มาปล้นกันเองก็ให้มันรู้ไปวันหนึ่งราวปีพุทธศักราช2517มีวันหยุดหลายวันผมออกจากกรุงเทพก็เย็นมากแล้วรถไฟไม่มีขบวนถัดไปก็ต้องรอถึงสี่ทุ่มถ้าจะรอก็หมายความว่าต้องไปถึงบ้านเกือบตีหนึ่ง ผมก็เลยตัดสินใจไปขึ้นรถโดยสารที่จะไปโคราชและจะต้องผ่านเส้นทางที่จะเข้าอำเภอบ้านของผมผมกะว่าไปถึงตรงปากทางสักสามทุ่มถ้าไม่มีรถสามล้อถีบก็จะเดินกลับบ้านเพราะว่ายังไม่ดึกมากนักวันนั้นดูจะเป็นวันแห่งความโชคร้ายลางมันเริ่มมาตั้งแต่รถโดยสารคันที่นั่งมาเกิดยางแตกอยู่ที่หนองแคต้องจอดเปลี่ยนยางเสียเวลาไปนานโข ổ. กว่าจะมาถึงปากทางเข้าอำเภอก็เกือบสี่ทุ่มครึ่ง ผมเนี่ยทั้งเหนื่อยทั้งหิวแถมรถคันนั้นยังจอดเลยจุดหมายพี่อีกตั้งเกือบครึ่งกิโลเมตร ท, ท, ทั้งที่ผมลุกขึ้นตะโกนบอกเขาล่วงหน้าตั้งนานแล้วผมก็เลยต้องเดินย้อนกลับมาถนนมิตรภาพกลางคืนเมื่อ20กว่าปีมาแล้วไม่ค่อยจะมีรถราวิ่งกันมากนักนานๆจะมีรถวิ่งมาสักคันหนึ่งผมเดินมาทางมืดๆหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าเมื่อยก็เมื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวจนหูตาลาย นึกด่าตัวเองที่น่าจะเตรียมขนมติดกระเป๋ามารองท้องบ้างและก็พา น, นึกด่าโชเฟอร์หูตึงคนนั้นที่จอดรถเลยไปตั้งไกลถึงปากทางเข้าอำเภอซึ่งตามปกติแล้วตรงนั้นมักจะมีรถสามล้อถีบจอดรอคนโดยสารอยู่สองสาคันคืนนั้นกลับไม่เห็นมีรถแม้แต่คันเดียวผมก็ได้แต่นึกในใจว่าคืนนี้ดวงซวยแท้ อันที่จริงผมน่าจะคอยรถไฟแม้จะมาถึงดึกหน่อยก็จะดีกว่าต้องเดินคนเดียวกลางคืนแบบนี้คืนนั้นเดินมืดเดินจากปากทางมาสักไม่กี่เมตรผมก็เห็นรถ3ล้อถีบคันหนึ่งกําลังมาตามถนนรถคันนั้นอาจจะถีบใครมาส่งที่ปากทางผมหยุดเดินตั้งใจว่าเดี๋ยวพอรถ3ล้อคันนั้นส่งคนเสร็จขากลับผมจะให้ไปส่งที่บ้าน พอรถคันนั้นใกล้เข้ามาผมกลับเห็นว่าบนที่นั่งด้านหลังนี่ว่างเปล่ากำลังจะเรียกให้หยุดก็ได้ยินเสียงคนถีบสาล้อตะโกนทักไอ้พัทไอ้พัทนั่นเองหรือว่าใครเนี่ยเสียงนั้นฟังคุณคุณเสียงรถคันนั้นเบรกดังเอียดมาจอดอยู่ห่างจากผมสักสองสาก้าวผมมองดูหน้าคนถีบจากแสงไฟฟ้าข้างถนนที่อยู่ห่างไปด้านหลังผมจําได้แม่นว่าคนถีบนั้นคือไอ้เอกไอ้เอกบะ โชคดีจริงค่ากำลังนึกว่าต้องเดินกลับคนเดียวแน่ๆเลยผมทักด้วยความดีใจเจ้าเอกกับผมเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กตาอุ่มพ่อของมันเป็นคนงานเทศบาลอยู่ในบังคับบัญชาของพ่อผมตอนเด็กๆมันก็เลยมาเล่นที่บ้านผมบ่อยๆเพราะว่าบ้านพักคนงานอยู่ใกล้ๆกันกับบ้านของเราเด็กๆสมัยเราไม่เคยคิดว่าพ่อใครเป็นหัวหน้าพ่อใครเป็นลูกน้องเราเล่นเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็กมีขนมก็แบ่งกันกิน ผมมีของเล่นก็แบ่งให้มันเล่นเจ้าเอกอยู่กับพ่อสองคนเพราะว่าแม่มันตายไปตั้งแต่มันเกิดเวลาตาอุ่มมาช่วยทํางานที่บ้านเจ้าเอกจะตามมาด้วยทุกทีพ่อแม่ผมก็รักแล้วก็เอ็นดูมันแม้ผมจะไปเรียนที่กรุงเทพพ่อปิดเทอมกลับมาบ้านก็ยังพากันเล่นซนกันอย่างเดิมยามปิดภาคเรียนหน้าร้อนเจ้าเอกนี่แหละสอนผมช้อนประกรัดในหนองกลางทุ่งกับการเอาน้ําหยอดรูจิ้งรีดให้มันขึ้นมาจากรูให้เราจับมันไปเลี้ยง เวลาที่ทะเลาะกับเด็กอื่นๆรุ่นเดียวกันเจ้าเอกก็จะอยู่ข้างผมทุกครั้งระยะหลังนี้เส้นทางชีวิตของเราไปคนละทางเจ้าเอกพอจบประถมที่โรงเรียนประชาบาลตามภาคบังคับสมัยนั้นก็ไม่ได้เรียนหนังสือต่อโตขึ้นหน่อยมันก็ไปเป็นเด็กเติมน้ํามันที่ปั๊มน้ํามันในจังหวัดไม่ค่อยได้พบกันแต่อุ่มกินเหล้าแทบทุกวันจนสุขภาพสุดต้องออกจากงานแต่ว่าเจ้าเอกก็ยังส่งเสียเลี้ยงดูพ่อ พอผมจบมัธยมปลายเข้ามหาวิทยาลายัยได้ข่าวว่าเจ้าเอกไปทํางานที่กรุงเทพผมพยายามสืบดูแต่ถามใครก็ไม่มีใครรู้แต่อุ่มเองแกก็เคยบอกว่ามันไปอยู่โรงงานอะไรแถวบางนาเออเองกลับบ้านแต่เมื่อไหร่เนี่ยวะไม่ได้เจอกันมาหลายปีผมพูดดีใจที่พบกันโอ้ยเกือบปีแล้วมันยกมือปาดเหงื่อที่หน้ากลับมาเช่าสมล้อถีบกินไปวัน เคยไปถามหาเองที่บ้านปลัดท่านก็บอกว่าไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพข้าไม่กล้าไปหาว่ะเองอ่ะมันเรียนสูงจะเป็นเจ้าคนนายคนแล้วหูไอ้บ้าพูดอะไรอย่างงั้นวะข้าเป็นเพื่อนกับเองมั้งแต่ไหนแต่ไรยังไงยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันว้ยเองเดือดเนื้อร้อนใจอะไรข้าช่วยได้แล้วก็บอกมาข้าไม่คิดบา้าบ้าแบบนั้นหรอกผมนึกสงสารเพื่อนมันคงทำงานหนักหาเช้ากินคำ่ำ นึกในใจว่าถ้ามีเงินจะแบ่งให้เพื่อนใช้บ้างเหมือนอย่างที่เคยแบ่งเงินค่าขนมให้มันตอนเด็กๆแต่นี่ผมเองก็ยังเรียนไม่จบอาศัยเงินที่พ่อส่งให้ทุกเดือนใช้อย่างประหยัดที่จริงพ่อผมกเกษียณ ร, ราชการแล้วรายได้ก็มีแต่เงินบํานาญไม่ได้ร่ารวยอะไรขอบใจเองหลายพัดเจ้าเอกพูดหลบตาผมขึ้นมาข้าจะไปส่งเจ้าเอกลงจากรถจูงรถ3ามล้อคันนั้นหันกลับไปทางที่มา ผมขึ้นนั่งเอากระเป๋าเสื้อผ้าวางตรงเท้าถนนช่วงนั้นพอเลยจากเสาไฟฟ้ามาสักพักหนึ่งก็ไม่มีไฟฟ้าข้างทางมีแต่แสงไฟริบรี่ของรถสามล้อถีบที่นั่งมาสองข้างเป็นทุ่งนาวันนั้นพอมองเห็นอะไรอะไรอยู่บ้างเพราะว่ามีแสงจันทร์ส่องสลัวไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงโซ่รถสามล้อและเสียงเอียดอารของล้อที่หมุนไปข้างหน้าเราคุยกันมาตลอดทางจนถึงทางท่ามตรงถนนสายนั้น ตัดกับทางรถไฟเจ้าเอกหันมาพูดเบาๆเองนั่งเฉยๆนะขามาเนี่ยข้าเห็นไอ้พวกติดยามันซุ่มอยู่ตรงต้นมะขามข้างหน้าเนี่ยสองคนไม่ใช่คนบ้านเราเหรอไม่รู้นี่ข้าไม่เคยเห็นท่าทางไม่น่าไว้ใจว่ะเอาแล้วเองรู้ได้ไงอะ่ะผมสงสัยว่าเจ้าเอกมันรู้ได้ยังไงว่าเป็นพวกติดยาก็มันแค่ถีบสามล้อผ่านถ้าเป็นไอ้พวกนั้นจริงมันก็คงมีอาวุธหลายเดือนก่อนเคยมีคนถูกจี้มันแทงเอาสาหัส ถ้าทางมันชอบกลเองอยู่นิ่งๆเดี๋ยวข้าจัดการเองเจ้าเอกพูดไม่ทันขาดคำรถสามล้อถีบของเราก็มาถึงบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่สองข้างทางเป็นระยะคนสองคนพรวดพลาดออกมาจากด้านหลังต้นมะขามใหญ่ต้นหนึ่งขวางหน้ารถคนหนึ่งถือมีดเล่มยาวอีกคนถืออะไรผมมองไม่ถนัดหุ่นผอมเกรงทั้งคู่นึกในใจว่าถ้าจาเป็นแล้วก็สองต่อออย่างเนี้ยสนุกแน่แต่ว่ามันมีมีดเฮ้ยลงรถ ให้คนถือมีดว่าเดินมายึดแฮนด์รถ3มล้อไว้อีกคนหนึ่งเข้ามายืนคุมเชิงจับหลังคารถตรงที่นั่งผมเพิ่งสังเกตว่าคนนี้ถือปืนถอดนาฬิกาส่งกระเป๋ามาด้วยสร้อยมีหรือเปล่าวะคนที่ยืนอยู่ข้างๆผมยกปืนขู่ผมปลดนาฬิกาส่งกระเป๋าให้นึกในใจว่ามึงอยากได้ก็เอาไปเถอะกระเป๋านั่นเน่ยไม่มีอะไรนอกจากเสื้อผ้าเก่าๆไม่คุ้มที่จะเอาตัวเข้าไปแลกตาผมจ้องมองอยู่ที่ปืนในมือมัน สังเกตอยู่ครู่เดียวก็รู้ว่าลูกสองสั้นแบบทำเองยิงได้ทีละนัดเดียวเท่านั้นต้องหักลำกล้องเอาปลอกออกก่อนที่จะยัดลูกใหม่เข้าสัญชาติยานหรือความโกรธก็ไม่รู้ตอนนั้นไม่ได้นึกกลัวมันสักนิดหนึ่งนึกในใจว่าน่าจะล่อกับมันสักตั้งอย่าพลาดเชียวนะมึงไอเดนมนุษย์เจ้าเอกลงจากรถพูดเรียบๆพวกมึงโซมาจากไหนไม่ดูตาม้าตาเรือคนบ้านเดียวกันแท้ๆ เจ้าเอกไม่เคยเปลี่ยนเรื่องใจนักเลงแล้วล่ะก็มันเต็มร้อยมาตั้งแต่เด็กยังจำได้ว่าครั้งหนึ่งมันกับผมเคยฟาดกับเด็กเกเรต่างถิ่นพวกนั้นสองคนยังเอามันคนเดียวไม่อยู่ไอ้าเสือกพูดมากเดี๋ยวกูเชิดแม่งเลยคนจับแฮนด์รถตะโกนยกมีดในมือจี้ที่คอเจ้าเอกผมเสียววา่าถ้าทางมันจะเอาจริงสัตว์แท้ๆล่ะพวกมึงเนี่ยเจ้าเอกพูดกัดฟันกรอด พิปตานั้นมันก็เปลี่ยนจากสารถีถีบสาล้อเชื่องเชื่อเป็นเจ้าเอกที่ผมรู้จักยกมือปัดมีดที่เจ่อคออยู่อย่างรวดเร็วราวกับงูฉกไอ้นั่นคงนึกไม่ถึงไม่ทันระวังตัวเจ้าเอกถีบทั้งๆ ท, ท, ที่ยังนั่งอยู่บนรถมันเซซัๆไปอีกทางหนึง่งเจ้าเอกก็กระโดดลงจากรถถึงตัวเตะเข้าเสียงดังพั่ ไอ้คนที่ถือปืนคุมผมอยู่หันไปจะช่วยผมรอโอกาสนี้อยู่แล้วถีบมันเต็มแรงจนกร ะ, ะเป๋าของผมที่มันถืออยู่ในมือกระเด็นหลุดมือพรวดลงจากรถพุ่งเข้าแย่งปืนในมือจนล้มลงด้วยกันผมจับข้อมือของมันด้วยสองมือแล้วบิดสุดแรงจนปืนหลุดพอผมขึ้นอยู่ข้างบนได้ก็กระหน่ำด้วยกำปั้นรุ่นๆถ้ามือเปล่าแล้วไอ้ขี้ยาสารเลวพวกนี้ไม่มีทางสู้นะักกีฬารักบี้ของวิทยาลัย อ, อย่างผมได้แน่นอน ผมล่อสักสองสามพักก็นิ่งไปหันไปดูก็เห็นไอ้คนถือมีดปล้ำกับเจ้าเอกอยู่เจ้าเอกเสียท่าถูกมันยันด้วยเท้าจนเซไปผมถลันจะไปช่วยไอ้นั่นยกมีดดาบในมือฟันเจ้าเอกเต็มเหนี่ยวผมชะงักเสียววูบไปทั้งตัวยังจําได้จนวันนี้ว่ามันแปลกประหลาดสิ้นดีมีดดาบยาวขนาดศอกกว่าเล่มนั้นผ่านตัวเจ้าเอกไปเหมือนกับฟันอากาศเสียงดังวืดไอ้คนฟันคงนึกว่ามันฟันผิด จ้วงฟันเข้าไปอีกมีดดาบเล่มนั้นก็ผ่านร่างของเจ้าเอกไปอย่างเดิมเป็นอยู่แบบนี้สองสามหนผมเห็นต่อหน้าต่อตาไอ้เอกหัวเราะคราวนี้เสียงหัวเราะของมันเย็นยะเยือกผมขนลุกเกลียวเฮ้ยผีหลอกคนถือมีดตะโกนราวกับเสียสติหันหลังเผ่นพรวดวิ่งหายออกไปทางทุ่งนาท่ามกลางความมืด เจ้าเอกหันหน้ากลับมาทางผมไม่พูดอะไรสักคำมันยิ้มเห็นฟันขาวอย่างที่ผมเคยเห็นมันยิ้มตอนเด็กๆ เ, เป็นยิ้มแบบเดียวกับเวลาที่ได้ของเล่นชิ้นใหม่หรือเวลาที่เราแอบไปทำอะไรซุกซนด้วยกันมาโดยที่พ่อแม่ไม่รู้หัวใจผมเต้นแรงบอกไม่ถูกว่ากลัวหรือเปล่าร่างของเจ้าเอกที่ยืนอยู่ห่างจากผมไม่กี่เมตรค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาผมตกตะลึงรู้สึกหนาว ส, สัตานเส้นขนในตัวลุกชัน บรรยายไม่ถูกว่าเป็นความรู้สึกอย่างไรแน่ใจว่าไม่ใช่กลัวเจ้าเอกเพื่อนผมแต่เป็นความตกใจจากเหตุการณ์อันผิดธรรมชาติที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผมหันกลับไปที่รถสามล้อคุณพระช่วยตาผมไม่ได้ฟั่นเฟือนแน่นอนตรงที่ที่รถสามล้อถีบที่ผมนั่งมากับเจ้าเอกเป็นสารถีตอนนี้ว่างเปล่าไม่มีรถสามล้อคันนั้นมีแต่ไอ้ขี้ยานั่งจี้นั่งงงอยู่ข้างทาง เลือดจากจมูกและปากเปื่อเปื่อนเสื้อมอมๆที่มันใส่อยู่กำลังที่ผมยังตกตะลึงอยู่นั่นเองเอ้ขียาก็ลุกพรวดขึ้นวิ่งลงกลางทุ่งนาที่มีความมืดข้างทางผมขยับรีบวิ่งตามมันลงไปแล้วก็เปลี่ยนใจสัญชา ต, ตยานเตือนว่าไอ้คนถือมีดอาจจะคอยดักอยู่ในความมืดผมหันหลังคว้ากระเป๋ามองหานาฬิกาข้อมือที่เชื่อว่าคงหล่นแถวนั้นแต่ก็หาไม่พบ ผมเดินกลับบ้านรู้สึกได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นยังกับจะออกมานอกเสือ้อเดินไปก็คิดว่าตัวเองฝันไปหรือเปล่าไม่ใช่ฝันแน่นอนก็ผมนั่งรถ3ามล้อมาตั้งไกลแขนยังถลอกปอกเปิกมือยังรู้สึกเจ็บจากการกระแทกหน้าไอ้นักจี้เมื่อครู่คืนนั้นกว่าผมจะเดินกลับไปถึงบ้านก็ดึกโขอาบน้ํากินข้าวเสร็จเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อกับแม่ฟังพ่อตื่นเต้นมากแล้วก็บอกผมว่า เจ้าเอกมาถีบสามล้ออยู่หลายเดือนมันเคยมาถามถึงผมที่บ้านอยู่ครั้งหนึง่งเมื่อเดือนก่อนมันกาลังจะถีบรถข้ามทางรถไฟนอกตัวอำเภอถูกรถไฟชนแหลกไปทั้งคนทั้งรถตอนนั้นเนี่ยตรงทางข้ามระหว่างถนนกับรางรถไฟยังไม่มีที่กั้นขึ้นลงเหมือนทุกวันนี้หลายคนบอกว่าเจ้าเอกเมาจึงไม่ได้ยินเสียงรถไฟบางคนบอกว่ามันจงใจฆ่าตัวตายรุ่งขึ้นผมไปถวายสังฆทานที่วัดตอนพระท่านอนุโมทนาให้พรผมกรวดน้า ตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าเอกเพื่อนของผมขอให้มันไปสู่สุคติวูปนั้นผมนึกถึงรอยยิ้มของเจ้าเอกเมื่อคือนน้ำตาไหลออกมาอย่างอดไม่ไหว